เมื่อเช้าถามไปได้คนเดียวส่งกันบ้านไปแล้วค่ะหลวงพ่อที่เรื่องกลัวค่ะอคือหลวงพ่อเขา ม, มีนิดนึงอะค่ะว่าตรงที่คล่าครวนเนี่ยมันเหมือนกับว่าจิตมันไหลไปที่ร่องนั้นโดยที่มันไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันเคยชิ น, ม, นมันมีนิสัยชอบคล่าครวนมันเรา ว, วิ่งไปหาสิ่งที่คุ้นเคย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 เจอพวกวิบากอะไรอย่างเงี้ยหลวงพอ่อก็คือยังยังยังไม่ถึงขนาดเนี้ยมันมันเฉยๆนะคะอ่ามันคือมันรู้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ม, มันก็คือพิจารณาเป็นไตรักไปได้อะไรเงี้ยแต่ทีหลังน้ะไม่ต้องทําขนมก็ได้ถ้าขนมเนี่ยตื่นเร็วไปค่ะื่นเร็วไปเวลามาเรียนเนี่ยนะมันจะเบล อ, ลอๆอยังง่วง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 บางครั้งเห็นเวลาใจมันเริ่มเริ่มเล็กๆเริ่มทํางานด้วค่ะ <im itation> มันเล็กๆปุบเนี่ยบางครั้งมันก็เกิดความร้อนรูบบางครั้งมันก็แสบบางครั้งมันก็วบับวับพอถ้าถ้าทุกครั้งที่เห็นตรงนี้นปุ๊บเนี่ยจะเริ่มเห็นมันทํางานแล้วมันจะเริ่มแปลว่าไอ้เล็กๆแปลว่าโห้แแแปลว่าโกรธอะไรอย่างนี้ <im itation> นีนม่มาใจมันก็จะขาดตรงนั้นเจ้าค่ะ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 ฟังฟังเฉลยมาแล้วใจมันไม่เป็นกลางค่ะเพ่งค่ะแล้วก็พอเราอยากเพราะความอยาก่ใช่เนหะ็นไหมว่ามีความอยากเกิดขึ้นเนล้วกเกิดการเพ่งก็มีตัณหาแล้วกเกิดการสร้างภพมีกิเลสแล้วกเกิดการกระทํากรรมเนี่หลายสำนวนนะจริงจริงเหมือนกันพนอะมีความอยากปุ๊บ <c oughs> บางวันเราก็เผ <c oughs> ลเอเผลอแล้วเพือนานแล้วเราก็สมโมโหอะไรอย่างเงี้ยโมโหรู้โมโหไป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 จิตตรึงไ้ต้องลืมคาว่าภาวนาลืมคาว่าปฏิบัติสะก่อนนะตอนนี้ก็เลยมาฟังซีดีหรืออะไรผ่อนคลายไปค่ะจริงหันไปดูข้างหลังนะแล้วยิ้มหวานๆที่นึงรู้สึกไม่หายแล้วสบายขึ้นแลง่ายจะตายไปก็ตามดูตามรู้อย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไ้มเจ้าพระพัชร์อย่าไปเก็งขึ้นมาล้กกันส่งคืนทางด้านนี้คุณเอคุณเอ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 หายใจไปพุโทโธไ ป, ไปจิตใจชุ่มชื่นเบิกบานมีสติรู้ทันกลับมาดูได้ละเพราะฉนั้นทําอะไรไม่ได้ก็ทําสมถะ <S <S แล้วก็พอทําสมถะแล้วดูจิตได้ก็ดูจิตดูกายได้ก็ดูกาย <S <S เอากายเอาจิตนี่แหละเป็นสนามทดสอบสติปัญญาจิตมีโมห ะ, ะ <S <S แล้วมันตื่นเต้นตื่นเต้นเราไปกด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 งั้นถ้าเผลอไปเลยทั้งวันไม่รู้เลยนะนั้นสะสมแต่โมหะแต่ถ้าเผ ล, อแ ล, เลอแล้วก็รู้สึกเผลอแล้วรู้สึกเนี่ยสะสมสติมีสติเกิดบ่อยถึงได้รู้ว่าเผลอเนีย่ยงตอนนี้ใจไปคิดทราบไหมใช้ได้อยู่ที่ฝึกใช้ได้ดีละอย่าขี้เกียจก็แล้ว ก, กันตอนนี้ติดเฉยอ่ะค่ะหลวงพ่อแล้วก็บางครั้งก็เครียดขึ้นมาเอ่แล้วตื่นเต้นด้วยตอนนี้ตื่นเห็นไหมว่าไม่ได้เฉยจริง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 สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเจอเรื่องเก่าๆที่เคยติดไว้นะคะกลับามาก็เลยทำให้รู้สึกว่าตัวเองแย่ลงเหมือนก็มันระเบิดขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแลวสองเราก็รู้ไปหนะ้าใจมันแข็งๆทื่อๆซึมๆ ม, มัวๆแข้งแรงหาความสุขไม่ได้รุมไปหนูพ่อพูดถูกอะ่ะ <laughs> ใส่ร้ายไหม <laughs> ไม่ใส่ <laughs> นะเ <laughs> ขอ ย, อยังชั่วเลยแล้ว เมื่อกี้ก็พอดีหันไปมองลูกสาวอะค่ะก็เลยไปขำเขาพอหันหันกลับมาเจอหลวงพ่อก็เป็นก็อบเลกลูกสาวนะ่ตื่นเต้นเอาใหม่วิ่งอยู่รอบๆตัวแล้วนะไปอย่าทรมานเด็กเดี๋ยวกลัววัดนะเด็กมาวัดได้กะบุญแล้วล่ะให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศนะฟังไปหลวงพ่อเนี่ยไปวัดตั้งแต่อายุไม่กี่เดือนนะไปวัดผู้ใหญ่อุ้มไป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 หรือบางทีดูไม่รู้เรื่องแล้วใจถื่อๆไปแล้วช่วยมันคิดพิจารณานิดๆหน่อยๆให้จิตมันขยับไปเยอเคลื่อนไหวขึ้นมาไม่ให้ไปติดนิ่งเฉยอยู่ อ, อย่างนั้นใช้ได้ที่ฝึอกอยู่ใช้ได้แต่จิตไม่ตั้งมั่นให้ไปรู้ทันตรงนี้อ้าวคนนี้ว่างไงคนนี้นักบังคับสามเดือนที่แล้วไปกราบหลวงพ่อที่สาราลุงชินครับหลวงพ่อก็ให้ให้คาแนะนาว่ายังบังคับอยู่สามเดือนที่ผ่านมาก็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 ทำตัวสบายๆแล้วใช้ความเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ร่างกายหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วไปรู้สึกบ้างคือ <c ười> อย่าให้มันจมดิ่งไปที่จิตอันเดียวยให้มันรู้กายบ้างรู้จิตบ้างอย่าให้มันจมดิ่งไปที่อันใดอันหนึ่ง mm. สงสัยทราบไหมทราบสงสัยรู้ว่าสงสัยเลย <c ười> อย่าให้ใจมันจมดิ่งไปอันเดียวถ้าดูจิตอันเดียวเดี๋ยวจะถลำไปจ้องดูกายอันเดียวเดี๋ยวก็จะถลำไปจ้อง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 ค่ะแล้วั ก, การขหลวงพ่อคือมาครั้งแรกหลวงพ่อสอนให้รู้สภาวะเผอค่ะแล้วพอกลับไปรู้ว่าเผอมันก็เลยอยากดีมันก็เลยเพ่งออก็เลยดีดีรู้ได้สองอันละเผอกับเพ่งล้วค่ะแล้ ว, ลวนี้ก็แคือเมื่อกี้ค่ะที่หลวงพ่อพูดว่าถ้ามัวไปกระทบทางผัดสายเงี้ยจะไม่ดีอะค่ะแล้วเวลาหนูแบบ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 เท่งไว้บังคับไว้กดขมไว้คืออัตากิลมัติธานุโยกโอเคครับข้งถังพออ่าว่าไงหนูพึ่งมาครั้งแรกค่ะเอ อ, อเหัดดูใจไปใจเราโลบใจเราโกรวดใจเราลงค่อยรู้ไปเรล่นๆใช้ได้นะวันนี้เบอร์33อ่ะดีรู้สึกไปเล่ก็เห็ุเผอนะครับ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 ถ้าแบบสมถะเนี <m> ่ยเราก็เพ่งอยู่ที่ร่างกายเช่นเท <ำ S 2> ้าเราเคลื่อนไหวนะเราเพ่งอยู่ที่เท้าไว้ให้ไม่ให้ใจหนีไปไหนเลยหรือเราเพ่งร่างกายทางร่างกายที่กำลังเดินอยู่<อ>มันมีคนนึงจ้องอยู่นะไม่ให้คลาดสายตาเลย <ทำ S 2> นี่เป็นสมถะ<อ>ถ้าเดินจงกรมแล้วเราก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปใจเป็นแค่คนดู<อ>คนรู้คนดูเห็นร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา เหมือนตัวอะไรตัวหนึ่งเดินอยู่อ <Dial> เดินอย่างนี้มีปัญญาหเห็นว่ากายไม่ใช่เราร <zych ons. S 1> อย่างนี้ใช้ได้อ <repeat. S 1> หรือเดินจงกรมอยู่แล้วจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดจิตไปเพ่งร่างกายรู้ว่าเพ่งร่างกายจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกนนุศลอกุศลค่อยรู้ไปเรื่อยเดินไปเพื่อจะรู้จิตครับอย่างนี้ก็ทําวิปัสสนาด้วยกันดูจิตเพ <Canvas S 3> ราะฉะนั้นแค่เดินจงกรมทําได้หลายอย่างมีอย่างหนึ่งคือเดินแล้วใจหนีไปที่อื่นเลย อันนี้ไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปัสนาอ๋อเราก็ต้องดูว่าเราจะทําสมถะหรือวิปัสนาใช่ไหมครับอะไรนะต้องดูว่าเราจะทําสมถะหรือวิปัสนามันจะพิกไปพลิกมาหลายแบบทั้งสี่แบบเลยอย่างเราเดินเดินอยู่ใจลอยแวบลืมเนื้อลืมตัวไปเนี่ยไม่มีทั้งสมถะไม่มีทั้งวิปัสนาครับอันที่สองเดินจงกลมอยู่แล้วเพ่งอยู่ที่ร่างกายนะเพ่งจนใจนิ่งแนบอยู่ในกายใจกับกายนั่นรวมกันเข้าไปเลยครับนิ่งอยู่งั้นได้สมถะ อันที่3เดินไปกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นร่างกายที่เดินอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรานี่จเจริญปัญญาทำวิปัสสนาด้วยการรู้กายอีกอย่างหนึ่งเดินไปเรื่อยๆใจแอบไปคิดรู้ทันใจไปเพ่งร่างกายรู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลรู้ทันอันนี้เดินจงกลมแล้วดูจิตเอาทำวิปัสสนาดูจิตงั้นอย่างเราเดินจงกลมเนี่ยจิตใจจะพลิกไปพลิกมาได้ทั้ง4แบบกระทั่งเราทํากรรมฐานอื่นๆนะก็พลิกอย่างนี้แหละ คล้ายๆกันครับส่วนส่วนมากผมว่าเป็นแบบที่สี่ครับผมวพ่อแต่แบบบางทีไปฟังเขาบอกว่าตอนนี้ตอนนี้กําลังเป็นแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งคือเพ่งครับเลอไปเลยอ๋อใช่ครับบางทีเราไปฟังเราก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนเขาบอกให้อยู่ที่กายดูกายอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับดูกายอย่างเดียวไม่ได้นะไม่ใช่วิปัสสนาอืแล้วอย่างผมนี้ต้องดูจิตหรือดูกายครับหลวงพ่อดูจิตเพราเราคิดมากครับก็วันนี้ก็เหมือนหลวงพ่อเทศแบบไม่เลยครับ ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าครับอยากคิดมากครับหลวงพ่อ <c oughs> ครั บ, <c oughs> ลรบแล้วมีขออีกอคําถามครับสมมุติเราแบบได้ไปปฏิบัติในที่แบบเหมือนวัดที่สัปเ ะ, ะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แบบทางไกลหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วเราจะยึดหลักไหนดีครับเราก็เอาครูของเราไปด้วยนะเอาสติเอาปัญญาไปอื <c oughs> เอาหลักที่หลวงพ่อสอนนี่แหละไปใช้ไม่ต้องสงสัยเลยใช่ไหมครับสงสัยรว่วสงสัยไม่ใช่ไม่ต้องสงสัย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 ค่อยๆ ค, คลายออกนะดูไปไปช่วยส่งไปข้างหลังน้นยกมือหลวงพ่อให้ส่งไปส่งมานล้วเราได้มีเวลาหายใจบ้างก <c oughs> ็งหายใจไม่ค่อยจะทันอากาศชื้นๆถ้าหายใจไม่ค่อยได้ไม่ต้องเอายามาถวายนะอย่าเยอะเดี๋ยวได้ยินแล้วโอ้อยยามาแล้วทุกคนจะต้องให้เราฉันนะถ้าตายไปไม่เน่าไม่เปื่อย <c oughs> อยากให้หลวงพ่อแนะนําให้ค่ะว่าต้องตับปรุงอะไรใช่ไ ด, ได้ดีละ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 เพงั้นคิดไม่ดีจิตเป็นกิเลสขึ้นมาให้รู้ว่าจิตมีกิเลสจิตแอบไปคิดให้รู้ว่าจิตแอบไปคิดนะคิดแล้วเกิดกิเลสรู้ว่ามีกิเลสให้รู้ไม่ใช่ให้ละถ้าให้ละพยายามจะละใจจะแข็งแข็งทื่อๆไม่มีความสุขทำผิดนะใจถึงถึงนะอย่ากลัวกิเลสมากนะกกนะิเลสเกิดขึ้นก็รู้เอาเมื่อกี้มีใครยกมืออีกคนแถวนี้ นับสักการหลวงพ่อครับมาสองสามครั้งฮะแต่เพิ่งได้แรงงานครั้งแรกครับก็มาฟังครั้งแรกประมาณสักปีหนึ่งได้แล้วครับจากตอนนั้นถึงตอนนี้เท่าที่ประเมินดูกันเป็นรายไตรมาสเท่าที่ตามที่เทปหลวงพ่อนะครับก็ทีแรกดูเหมือนว่าราคาลดลงแต่พอคิดอย่างนั้นราพะราคามันขึ้นมาเลยครับดีนะ <laughs>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 รเราเป็นอิสระจากกิเลสที่ที่เคยเห็นบางท่านบอกว่าเห็นจิตโมโหมัม่ง ห, หนักหนักมั่งอะไรนี่ผม ไ, ไม่เห็น<อ>เลยครับนะไม่ต้องเห็นไม่ต้องเห็นนะครับเราจิตลรโมโหรู้ว่าโมโหเพราะเราเห็นโมโหนี่เราก็ดูโมโหไปครับคนไทยเรียกโมโหนะแต่จริงต้องเรียกโทโสแต่คนโบราณเรียกโมโหโทโสเลยมีสองอันก็ถูกอีกเพราะโทโสอยู่ลําพังไม่ได้ต้องคู่กับโมโห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 จ้ะคะพระกรกฎจ้าค่ะคดีก็จะขอโอกาสหลวงพ่อะเจ้าค่ะช่วยกรุณานำลูกหลานปฏิบัติด้วยจะเข้ามาครั้งแรกในช่างคนนี้มาครั้งแรกกันนี่ครั้งที่สองเนี่อลูกสาวนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณส่วนทีิฉันนั้นเหมือนกับว่ามีความหลงเป็นหลักเจ้าค่ะแล้วก็แต่เบิกบานขึ้นนะเจ้าคะดีนะให้รู้ไปด้ื่อยๆเอาพวกเด็กๆทั้งหลาย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 งงอะรู้สึกไหมกําลังงงอยู่อ้าวผู้หญิงโน้นใจลอยปอีกแล้วนั่นแหละนั่นแหละกาลังหันฮะนะหนูก็จะลอยแล้วก็เพ่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะอะไรนะดีหยูก็ใจลอยเดี๋ยวก็เพ่งใช่ได้นะที่ฝึกอยู่ะดีแล้วทําถูกต้องแล้วใจลอยเราก็รู้เพ่งเราก็รู้ใช้ได้แต่ว่ามันมีความสุขขึ้นนะคะหลวงแน่นอนต้องมีความสุขภานาแล้วมีความสุข ถ้ไม่มีความสุขพระจิตมันเป็นกุศลมหากุศลรจิตเนี่ยนะไม่มีโทมนัตไม่มีความทุกข์นะโทมนัตเวทนาไม่เกิดในมหากุศลรจิตโทมนัตเวทนาเกิดในโทสะมูรจิตเทะนะ่านั้นเจตเจจิตที่มีโทสะนะเพราะงั้นเวลาเราภาวนาเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยมีแต่ความสุขตาอุเบกขานะดีนะที่ฝึกอยู่ดีละขอบพระคุณเจ้าค่ะ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 ค่อยๆเรียนสองข้อนี้ก่อ น, นสติแปลว่าความระลึกได้แต่พวกเราชอบแปลสติว่ากำหนดนกำหนดเนี่ยในความเป็นจริงในองค์ธรรมของมันเนี่ยมันจะเจือด้วยโลภะเจตนานแต่สติแท้ๆไม่ได้แปลว่ากำหนดสติแปลว่าความระลึกได้ะระลึกถึงความมีอยู่ของกายระลึกได้ถึงความมีอยู่ของจิตใจ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 ถ้าจิตแข็งแข็งจิตเครียดเครียดจิตดวงนั้นเป็นโทสะมูรจิตนะเพราะฉะนั้นสติตัวนั้นไม่ใช่สติตัวแท้ถ้าเรากำหนดปุ๊บแล้วแข็งแข็งเนเะครียดเครียดในใจเรานะตัวนั้นไม่ใช่สติมันเป็นแค่ความจงใจไปกำหนดเท่านั้นเองถามว่าเลาสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากกำหนดหรือเปล่าพระอาิธรรมไม่ได้สอนว่าสติเกิดจากกาหนด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 ถูกต้องบ้างหรื อ, อยังเจ้าคะถูกที่ถูกนะอย่างน้อยคิดจะปฏิบัติเนี่ยคิดถูกแล้วนะอันะที่สองมาฟังธรรมะเห็นไหมนะมาหาวิธีปฏิบัตินี่ก็เรียกว่าเราทำถูกแล้วมาเรียนรู้นะเสร็จแล้วเราก็มาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจคุณรู้สึกไหมใจของคุณโล่งๆขึ้นนะดูออกไหม<ท>ดูออกไหม ท, ที่ทำมาค่ะหมายถึงพอเรารู้ในตัวกิเลสเหล่านี่เรียกว่า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 ก็ <k> มันมันจะใกล้ที่พระอาจารย์บอกเข้าไปทุกทีแล้วคะ่ะว่าไม่มีใครเลวเท่าเราอะค <c> ่ะใช่ใช่นั่นแหละภาวนาเก่งา <c> นางแม่มดตัวจริงอยู่นี่เองเห็นไหมค่ะดีมากนะดีภาวนานแล้วเห็นกิเลสหลวงพ่อดีใจด้วยเพราะกิเลสเป็นศัตรูของชีวิตเรา <c> ถ้าเราศัตรูเราเลี้ยงไว้ในหัวใจของเราเองเนี่นะมันย่ายีเร า, าเราเห็นกิเลสเรื่อยๆต่อไปมันจะกระเด็นออกไปจากหัวใจเรา ใจเราก็จะเป็นอิสระจากกิเลสมีความสุขล้นล้นเลยครานี้อาคุณสุเมศว่าไงครับไม่ไม่มีการบ้านจะส่งครับมาขอรับคําสอนอย่างเดียวครับมันใจแม่ตื่นเต็มที่ดู อ, อับไหมวันนี้มันหลงหลงมัว ม, มัวอ่ามันหลงหลงมัวมัวแล้วมันก็ซึมๆึมไปด้วยทื่อๆไปด้วยนะเป็นมาสักสองวันแล้วมัครับให้รู้อย่างที่เขาเป็นครับอยากให้หายรู้ว่าอยากเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น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 นะถ้าทำไปอย่างมีความสุขเข่นหายใจไปอย่างมีความสุขแปบ๊บเดียวจะสงบหมดเวลาเชิญกลับบ้านไป